จากช่วงที่เราฟังเรื่องนี้จบลงแล้วพระสงฆ์ทาศักระรมต่อญาติโยมก็จะย้ายไปปฏิบัติที่อาคารนน้นอนะันนี้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เก็บอารมณ์กันมาช่วงหนึ่งก่อนเพื่อบางคนจะได้เข้าใจอะไรได้ลึกขึ้นถ้าหากว่าเราได้จัดหมดหมู่ความรู้สึกตัวของเราได้ ถูกต้องเราก็จะไม่ลืมได้ง่ายเนย mm hmm. เพราะว่าจัดหมดหมู่หม่ถึงว่าเราสามารถระลึกรู้เห็นแนละเข้าใจในความรู้สึกตัวหรือว่ายานปัญญาเนี่ยตามลำดับ mm hmm. เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเราใช้เทคนิคหรือวิธีการของพรฒเทียนซึ่งเราจะ เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้สึกตัวแต่และอย่างแต่และอย่างนับตั้งแต่ความรู้สึกตัวง่ายๆที่เราสัมผัสได้มีความรู้สึกทางกายนะที่ทุกคนมีอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับถ้าเราไม่ตั้งต้นจากความรู้สึกที่เป็นเวทนาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะ เราก็จะไาเห็นทิศทางของชีวิตจิตใจของเราว่ามันวุ่นวายสับสนขนาดไหนแต่พอเราได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลาดับความรู้สึกความรู้สึกกายความรู้สึกใจเป็นพเพราะตลอดเวลาเนี่ยมันมีปรากฏอยู่แล้วถ้าเราสามารถเห็น ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างความรู้สึกกายเรียกว่าเวทนาทางกายความทุกข์ใจเรียกว่าเวทนาทางจิตหรือเรียกว่าเจตสิกก็ได้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรเหมือนเราเห็นแสงไฟเราก็ตามไปเห็นดวงไฟตามไปเห็นหลอดไฟตามไปเห็นสายไฟแล้วตามไปเห็นที่มาของไฟ มันจะสัมพันธ์กันอย่างนั้ น, นหรือเราทานอาหารได้รับรูปอาหารเราก็เห็นอาหารเห็นการเคี้ยวการกลืนการอิ่มของอาหารซึ่งก็ความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องระลึกได้ตลอดเวลา <c oughs> ถ้าเราระลึกได้ตลอดเวลาเราก็ใช้มันเป็น ชีวิตของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเหมือนเรามีเงินใช้เราจะจับใจใช้สอยอะไรก็สะดวกต้องการอะไรก็กซื้อได้เลยนี่เพราะนั้นตัวความรู้สึกตัวหรือตัวคุณธรรมต่างๆเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันหนึ่งที่เราต้องแสวงหาให้ให้เห็นชัด ให้ได้ชัดในในชาตินี้ว่า ง, งันเถอะนมันจะสามารถบาบัดความเดือดร้อนทั้งทางกายทางจิตได้ตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองภายนอกเนี่ยเราสามารถบาบัดความทุกข์ลาบากทางด้านภายนอกได้ต้องการจะซื้อจะหาอะไรต้องการจะใช้อะไรก็ก็ได้ไม่ยากนะ แต่ว่าถ้าเราขาดทรัพย์ภายในคือเรื่องอริยทรัพย์แล้วเนี่ยบางทีเงินมันซื้อไม่ได้ซื้อความแก่ไม่ได้ซื้อความเจ็บไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้ซื้อที่จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าถึงตัวอริยทรัพย์เนี่ยเราสามารถอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้เนีเพราะนั้นเราก็จึงมาแสวงหาอริยทรัพย์เราทั้งหลายก็ได้สัมผัสความ จำเป็นของโวกคัพยัมาแล้วรัพบสมบัติมาแล้วว่ามันให้ความสะดวกสบายทางกายให้ความอยู่รอดทางกายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้รอดทางจิตของเรายังต้องมีรัพบภายในคืออริยรับเนี่ยเข้ามาช่วยบำบัดอีกทีนึงทีนี้ตัวอริยรับภายในเนี่ยเราเริ่มต้นที่ว่ามีศีล มีศีลมีหีทีโอตปะปมีขันติโสรจัะมีเมตตามีความเพียรของนี้เป็นอริยรัพดัะนั้นเราเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นตรงที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือคำพีแล้วก็ได้นึกคิดพิจารณาเกิดปัญญาเอาเองบางคนก็มีนะ เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เห็นเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญว่าชีวิตมันทุกข์เพราะอะไรเราก็ไม่อยากจะให้มันทุกข์เพราะสัตว์ทุกตัวโดยฐานฉันชัานแล้วก็คือรักตัวกลัวตายเมื่อรักตัวกลัวตายแล้วจะทำไงให้เราไม่เกิดความกลัวเราไม่ตายอย่างทุกทรมานเนี่ย คือหมายความด้านความตายทางด้านจิตใจเขาเรียกความกลัวความตายทางด้านร่างกายเขาเรียกความเจ็บปวดความกลัวก็เป็นความเจ็บปวดและความตายทางด้านจิตใจนั้นเมื่อเรารู้ความกลัวทางกายก็ดีความกลัวทางใจก็ดีเนี่ยมันก็มาจากความรู้สึกนี่แหละนะนับตั้งแต่กลัวหิวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันเรียกร้องละความหิว กลัวร้อนกลัวหนาวถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่เหนือมันได้เราก็ร้องไห้ร้องห่มทุกทรมานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเราเกิดมาก็ร้องไห้แห ล, ละกลัวเจ็บนีมันเริ่มสัรชัตยานของความกลัวตั้งแต่นู้นเลยทีพอมาเจริญสติมาได้พบวิธีการเจริญสติเราก็จะมาศึกษาว่าความกลัวเกิดจากอะไระความกลัวเกิดจากความคิดอ่า ความคิดเกิดจากอะไรความคิดเกิดกับความรู้สึกความรู้สึกความกลัวร้อนก็รู้สึกร้อนเสีอก่อนอาการร้อนมันเป็นอย่างไรความกลัวหนาวความกลัวเย็นมันบีบคั้นอย่างไรต่อร่างกายมันก็ผ่านความรู้สึกทางเวทนาเนี้ไปนี่เร้กา็มาเรียนรู้เวทนานะเวทนาที่ประจำกายเราเนี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึง ก็มีอยู่ประจํากายฉล้วตัวเวทนานี้มันก็จะเป็นตัวบอกอันตรายกับเราว่าอันตรายมากอันตรายน้อยเราสามารถสัมผัสได้ด้วยการผ่านเวทนานะครับถ้มีเวทนาเราก็มีรูปคือท่าสีเนี่ยดินน้ําลมไฟผสมผสานกันแล้วเกิดอากาศธาตุวิญญาธาตุวิญญาณธาตุก็ให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นะทีนี้พอามาภาคปฏิบัติมาภาคปฏิบัติเราก็เริ่มเรียนรู้จากความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายในร่วมกันเรียกว่ารูปกับนามนะความรู้สึกของรูปก็คือตัวเวทนาความรู้สึกของนามก็มีสองอย่างนะความรู้สึกที่เป็นญนะาณปัญญาสัญชตาติญาณ ความรู้สึกที่เป็นวิญญาณปัญญากับสัญชาติญาณเนี่ยเป็นสองอย่างแต่ร่างกายนี้เป็นเวทนาเป็นสัญชาติญาณอย่างเดียวแต่เราเป็นสัตว์มนุษย์ที่มีความรู้ที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเรามียญาณด้วยสัตว์ทั้งหลายมันก็มีวิญญาณแม้แต่มดแต่ปวกแต่เลนแต่ไรก็มีวิญญาณที่มันดิ้นได้ แต่สัตว์เหล่านั้นมันไม่มีญาณปัญญาที่จะพัฒนาได้เหมือนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็รักตัวกลัวตายเหมือนเห <c oughs> มือนกันแม้แต่ลิ้นแต่ลายแต่ยุงตัวเล็กๆมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนมนุษย์แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันไม่มีวิธีป้องกันมันหนีเนีมันห น, น, นีอย่างเดียวแต่มนุษย์นี่สามารถที่จะป้องกันป้องกันตัวได้ โดยการพัฒนาความรู้สึกที่เป็นสัญชาติญาณเนี่ยให้เป็นปัญญาขึ้นมาเพราะนั้น<ม>สัญชตาตญาณแห่งความต้องการอาหารก็เกิดความหิวความหิวก็จะเป็นตัวเตือนเราโดยสัญชาติญาณเมื่อเกิดการหิวแล้วก็สแสวงหาอาหารสัญชาติญาณที่หนึ่งทีนี้<ม>การสแสวงหาอาหารของคนก็สัตว์ก็ต่างกัน ของคนก็จะมีการผลิตมีการขบวนการในการผลิตขบวนการในการเก็บขบวนการในการสังสมต่างๆซึง่งสัตว์มันไม่มีนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาญาณล ะ, ะสามารถพัฒนาสืบต่อได้นกหนูปูปีกมันกินผลไม้เสร็จแล้วมันกินแล้วก็จบแต่คนมีการพัฒนาพืชผักผลไม้นะ ให้มีมากขึ้นให้กินได้ตลอดทั้งปีนะสัตว์ทั้งหลายเมื่อกินได้เฉพาะฤดูกาลแต่มนุษย์สามารถกินได้ตลอดฤดูกาลนี่คือเป็นรั้วจะเป็นญาณปัญญาที่มีการศึกษาทีนี้ตัวญาณปัญญานี่เองที่มันเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องทุกข์ทั้งสองด้านทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางจิตสัตว์ทั้งหลายมันก็ทุกข์ทางกายทางเดียวกันจิตมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันมีสัญชาตญาณ ด้านเดียวแต่มนุษย์มีทั้งสัญชตาตญาณและปัญญาญาณทีนี้ไอ้ตัวปัญญาญาณคือออกมาในรูปของความคิดที่มีสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณออกมาอีกต่างหากสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณของสัตว์ก็มีเฉพาะที่เป็นสัญชตาตญาณแต่ของมนุษย์สามารถเปลี่ยนสัญญา สังขารวิญญาณให้เป็นปัญญาญาณได้ออกมาเป็นความคิดสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีความคิดนีแต่มนุษย์ออกมาเป็นความคิดอ่านความคิดสามารถสร้างจินตนาการขึ้นมาได้นะเนื่องจากว่ามีกลไกทางสมองทางสติปัญญาทางระบบประสาทที่สูงกว่าสัตว์มันก็ออกมาเป็นความคิดนึกคิดรู้สึกนึกคิดจดจํา ไรครวนไตร ต, ตรองอันนี้มนุษย์มีแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตรงที่ว่าต้องเริ่มต้นที่มีความเห็นถูกหรือเห็นผิดมีความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะมาเริ่มต้นพราแกันตรงนั้นมาเริ่มต้นตรงที่เห็นถูกก็คือมนุษย์นั้นจะมีการฝึกฝนอบรมปัญญา วิชามาระดับใดระดับหนึ่งไม่ว่าจากพ่อแม่บรรพุรุษหรือจากครูอาจารย์ก็ตามก็ถือว่าเกิดปัญญาเช่นเมื่อก่อนเราไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารเรากินอาหารสุกๆดิบๆเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาดอายุสั้นตายเร็วอพอต่อมาก็มีการพัฒนาการปรุงอาหารให้ปลอดจากเชกื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียก ว, ว่าเกิดมีการเรียนรู้ขึ้นมา พัฒนาพอพัฒนาขึ้นมาความรู้ชนิดนี้มันก็มีทั้งถูกทั้งผิดถูกในแง่ระดับของรูปกับถูกในแง่ระดับของนามก็ต่างกันแล้วเพราะนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้รู้จักกายกับใจว่ารู้จักว่ากายเนี่ยถ้าเราเป็นสัญชตาตญาณแล้วจะคิดว่ากายนี่เป็นของเรา นะเราความกลัวก็ยังมีอยู่ความรักตัวนั่นแหละแล้วก็เกิดความกลัวตายเราก็เกิดการรักตัวจะเกิดการกลัวตายขึ้นอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณอยู่การรักตัวกลัวตายนะต่อมาก็เกิด <c oughs> การเรียนรู้วิชาว่าความรู้สึกที่จะมาเป็นความรัก เพื <c oughs> ่อตอบสนองด้า น, านมีชีวิตอยู่ด้านต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยต้องการหนีภยัยหลบภยัยต้องการหมู่มิดมาช่วยในสิ่งที่เกินกำลังก็เป็นสันสัตยานี่ต่อมาก็มีการพัฒนามาเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสันสัตยานมันจะมุ่งไป แก้ไขความกลัวภายนอกแก้ต้องการความรักภายนอกนะไม่ได้รักตัวแต่พอเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าญาณปัญญานะเกิดญาณขึ้นมาญาณตัวนี้มันก็จะกลับมาหาเหตุว่าความรักความกลัวนะี้มันเกิดจากไหนเกิดจากสิ่งภายนอกหรือเกิดจากสิ่งภายในกันแน่ หาไปหามาก็เจอว่าอ๋อมันเกิดจากสิ่งภายในเรารักตัวโกรธตายเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเนี่เองก็เริ่มแยกความรู้ที่มันวิ่งออกไปข้างนอกจากวัตถุกับความรู้ที่กลับเข้ามาดูข้างในตัวนี้เรียกว่าเกิดเรียกว่ายานังอุทัปปะทิการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดเป็นดวงตาไหนขึ้นมาเกิดรู้ว่าอ๋อ สาเหตุความกลัวเนี่ยจางสมุติเรากลัวฝนตกกลัวเปียกเนี่ยเมื่อก่อนเราก็กลัวฝนแต่ว่ามียานปัญญาขึ้นมาต่อมาฝนตกก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลัวเพราะใช้ปัญญาว่าสร้างที่กำบังฝนขึ้นมาฝนตกก็ไม่น่ากลัวแดดออกก็ไม่น่ากลัวล้วทีนี้อันนี้ก็ปัญญาอีกระดับหนึ่งระดับยานปัญญาเนี่ย ก็มีวิธีป้องกันทีนี้ฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไว้ถึงป้องกันความกลัวภัยนอกได้แต่ภายในมันยังกลัวยางอื่นอีกอกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายก็ยังมีความกลัวชนิดอื่นอยู่ก็หาต่อไปว่าความตายันมาจากไหนความเจ็บมาจากไห น, นเอามาจากกายมันไม่ได้มาจากฝนแล้วทีนี้ มาจากกายของตัวเองแหละก็เลยมารักษากายรักษากายให้มันหายจากความเจ็บก็อาศัยยาอาศัยหม อ, อหมอยารักษาความไม่สบายทางกายได้แต่ว่าความไม่สบายทางใจหมอรักษาไม่ได้ทีนี้ก็เลยมาหาในเอจะทำไงให้ความปลอดภัยทางด้านจิตใจไม่กลัวโรคภัยไข้เจ็บด้วย ก็รู้ว่าอ๋อโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงความกลัวทั้งหลายทั้งปวงมาจากจิตใจของตัวเองนี่เองก็เลยมาแยกว่าความรู้ชนิดไหนที่มันกลัวความรู้ชนิดที่ไม่กลัวความรู้ชนิดไหนนี่มันทําให้เกิดคิดความรู้ชนิดไหนไม่เกิดให้ไม่ก่อให้เกิดความคิดมันก็เลยมีสองรู้ขึ้นมาสามารถแยกตัวรู้สองรู้นี่ออกได้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้รูปนามใช้ใชย้ยาน ปัญญามาแยกว่าความรู้สึกที่ติดอยู่กับตัวเนี่ย<ม>เขาเรียกวความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกที่ไปติดอยู่กับความคิดที่สร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดไม่ใช่ความรู้ละเป็นความคิดออกไปอาศัยรูปเรียกว่ารูปรูปทำนามธรรมรูปนามแล้วก็นามรูปเกิดมีนามรูปขึ้นมา แก้ไขความาเจ็บป่วยครบแก่ความเจ็บทางตายทั้งรูปได้แต่ว่ายังแก้ไขความกลัวด้านจิตใจไม่ได้ก็เลยมาแยกเอาความกลัวด้านจิตใจเกิดจากอะไรเกิดจากนมามบรรลเพราะเราคิดได้ความกลัวเจ็บป่แก่ตายแก้ที่กายก็จบแต่ว่าความกลัวที่มัน เกิดขึ้นในใจมันไม่จบก็เลยมาแยกความกลัวออกจากความคิดก็เลยการว่ามีความคิดแบบไม่กลัวก็มีแน่ถ้ามีความคิดก็มีสองอย่างความคิดแบบไม่กลัวคิดไม่กลัวแล้วความคิดแบบคิดแบบไม่กลัวฟ้าร้องบางคนคิดกลัวฟ้าร้องเอาบางคนเข้าใจธรรมชาติของฟ้าร้องหึงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่กลัว อ, อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความรู้สองอย่างความรู้ถูกก็รู้ผิดรู้ผิดทําให้เกิดความกลัวแต่ความรู้ถูกต้องให้เหตุผลว่าฟ้าร้องเพราะอะไรเพราะเกิดการหาเหตุก็เกิดการสันดับจากสิ่งสองสิ่งเกิดการระเบิดขึ้นมาการระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมันไม่จําเป็นจะมาถึงที่เราก็ฟังฟ้าร้องเฉยๆได้โดยที่ไม่กลัว ทีนี้นึกถึงความตายก็ไม่กลัวแล้วทีนี้ความตายหมายถึงว่าความเจ็บความรัดพัดภาาจากร่างกายนี้ไปก็เข้าใจว่าเราทั้งหลายตัวเราเนี่ยกายใจของเราเนี่ยมันก็มาจากธาตุซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่คนละที่คนละแหง่งดินก็อยู่แหง่งหนึ่งน้ำก็อยู่แหง่งหนึ่งลมก็อยู่แหง่งหนึ่งไฟก็อยู่แหง่งหนึ่งพอมารวมคนเข้าเป็นตัว เราค่อยสำคัญว่าถ้าสีนี้เป็นเราเราถึงเกิดความรักและความกลัวแต่พอมันเกิดปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งก็ว่าโอ้าสีนี้น้ําหนูไฟไม่ใช่เราเป็นท่า ต, ตามธรรมชา ต, มชติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นิสัตโตนิชวโวสุนโยว่างเปล่าเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาว่างเปล่าจากความหมายขอความเป็นตัวตนอ่าเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ไอการสามารถแยกความคิด ออกจากความรู้ได้แยกจากความกลัวออกจากความคิดได้นี่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามออกมาเห็นเราก็สามารถรักษาความรู้ไว้เป็นความรู้ไม่ให้ความรู้เป็นความคิดเพราะความรู้กลายเป็นความคิดความรู้ที่มันคิดไปทางที่ถูกแก้ไขปัญหาได้เขาเรียกว่ายานปัญญาความรู้ที่แก้ไขปัญหาได้รู้ผิดแล้วทาให้เกิดทุกข์งหาก เขาก็เรียกว่าเป็นสันชัตญาณปัญญายาและชัตญาณก็ต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเกิดปัญญายาคือสามารถแยกความรู้ที่เกิดจากความคิดผิดกับความรู้ที่เกิดจากการคิดถูกทีนี้ก็หาไปอะไรเป็นเบื้องหลังของความคิดที่ไม่ถูกความคิดผิดเนี่ยสืบไปสืบมาก็อ๋อมันเกิดจากความไม่รู้จริ ง, งนั่นเอง ไม่รู้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากอะไรเกิดจากไม่รู้ที่ต้นที่ดอของมันพอต่อมาเกิดการเรียนรู้เกิดปัญญายาณการเรียนรู้ขึ้นมาเอาฟ้าผ่าเกิดจากการกระทบของสิ่งสองสิ่งแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาการระเบิดเกิดเสียงดังมากระทบหูแล้วก็ไปกลัวเสียงดังอันนี้จิตของเราก็เลยเข้าใจลักษณะเข้าใจกระบวนการนี้เรียกว่าวิชาเมื่อก่อนไม่เข้าโบนไม่เข้าใจขบวนการเมื่อก่อนไม่เข้าใจกระบวนการว่าตัวเราเนี่ย ใครม า, าทำร้ายเราก็กลัวใครมาด่ามาว่าเราก็โกรธก็เกลียดใครมาชังมาไม่ก็ไม่ไม่สบายก็เลยมาเข้าใจอ่อเกิดความรู้เห็นขบวนการว่าร่างกายนี้เกิดจาก่าสี่เพราะนั้นเขาจะด่าว่าอะไรต่างๆเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเพราะเขามันไม่มี ตัวเรามืก่อนตัวเราเราลอามาคิดเอาขึ้นมาว่ามันเป็นตัวเราแต่ความจริงมันคือธาตุสีมีเวทนาสัญญาสังขารเนี่มารวมกันว่าบุตรเราเราเลยเลยแยกความสําคัญผิดว่าตัวเรากับธาตุออกได้เห็นรูปเราะมันเป็นรูปรูปประธาตเราก็มาใช้ตัวยานคือตัวรู้ที่เข้าใจเนี่ยแยกตัวรู้ที่ถูกต้องออกมา ตัวรู้ที่ถูกต้องนี้เรียกว่าวิชาวิชาอุทภาพปฏิเกิดขึ้นแล้วตัวปัญญาตัวยานก็ให้เกิดปัญญาปัญญาก็ให้เกิดวิชาวิชาก็คือรู้ที่ถูกต้องว่ามันเกิดจากขบวนการเกิดจากองค์ประกอบเกิดจากสังขารเกิดจากสังขารที่วิ่งมาประกอบกันเข้าเป็นความคิดสังขารภายนอก มันก็เกิดจากธาตุสี่ที่น้ำรวมไฟสังขารภายในเกิดจากความคิดจินตนาการมารวมกันเข้าก็สําคัญผิดคิดว่าเป็นเราทีนี้พอเรามีตัวรู้เกิดจากวิชาตัวนี้ปั๊บมันก็สามารถแยกนะตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเรียกว่าวิชาตัวรู้ที่ผิดเรียกว่วิชาเราก็เลยมาสร้างตัววิชาให้มากขึ้นทีเนี้คือสร้างตัวรู้อ ก็แลรูปทำนามทำรูปทำงานอย่างไรแล้วก็รู้รูปประกอบด้วยอะไรแล้วก็รู้นามมันประกอบด้วยอะไรทํางานอย่างไรก็รู้นี่เรียกว่าเกิดวิชามารู้รูปตอนแรกรู้รูปนามแล้วรู้นามรูปต่อมาก็รู้การทํางานของรูปทำนามทำอันนี้หลักการของบทเห็นรู้อย่างงี้พอรู้รูปทํางานพา้อาศัยการทํางานของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ ก็ให้เกิดอีกสองธาตุอากาศธาวิญญาณธาตุก็มาเกิดเพราะเกิดวิญญาณธาตุก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาสามารถจํานึกคิดได้เมื่อความรู้มาก็มาประกอบกันอย่างนี้ความรู้มันก็ไม่มีตัวตนมันเกิดจากการประกอบของสัญญาสังขารวิญญาณตัวรู้โดโดดก็ไม่มีตัวไม่รู้โดโดดก็มีด่างก็อาศัยกันเกิดก็มาเล็งอยู่ที่ว่าเมื่อให้ สังขารมามารวมตัวกันโดยมีตัววิปัสนาญาณขึ้นมาเห็นเห็นนามรูปและแยกเอานามรูปแยกจากรูปออกจากนามการแยกรูปออกจากนามได้นี่เรียกว่าเห็นสมมุติาการแยกรูปแกงรูปออกจากนามเราเห็นสมมุติเพราะการนามออกจากรูปได้เราเห็นปรมัตถ์อะไเนี่มีตัวรู้ เป็นแยกเป็นปรมตัตออกมาเมื่อก่อนเปนสมมุติคือความคิดก็ไปสมมุติร่างกายนี้ก็เป็นสมมุติแยกกันไม่ออกเพรเกิดตัวรู้แยกเอาตัวรูปคือตัวความคิดเนี่ยออกมาจากความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกล้นลวนๆเป็นความรู้รล้วนๆที่มันถูกต้องอ่าตรงนี้ก็เล่นเห็นปรมตัตเราก็เลยมาพ่อคุลปรมตัตโดยการทําความรู้สึกตัวนะถ้าหากว่าเราความรู้ตรงนี้ไม่เข้มแข็งความรู้สึกตัวที่ทําความเพียรไม่เข้มแข็ง มันก็ยังมีความไม่รู้เข้ามาแทรกเลยเป็นร ะ, ะระยะระยะความไม่รู้เองก่อให้เกิดความคิดในทางที่เป็นรูปอ่าพอเกิดความรู้สึกตัวปั๊บแยกรูปออกไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆนี่เป็นความรู้ที่เป็นวิชาเราเข้ามาระวังมาระวังการเผลอการเพลินพอเผลอเพลินเมื่อไหร่ตัวรูปนมามรูปก็ทำงาน ตัวรู้สึกตัวตื่นรู้ขึ้นมาหายอาการเผอก็ตัวรู้ตรงนี้มันก็เป็นนามล้วนๆเราก็ามาดูอยู่ตรงนี้เพราะนั้นขั้นตอนของพวกเราทั้งหลายจะมาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่คือพยายามแยกความคิดที่เป็นนามรูปเนี่ยออกจากกันให้เหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆแต่ความรู้สึกตัวล้วนมันประกอบด้วยวิชาประกอบด้วยปัญญา ความรู้สึกดัวนล้วนเราก็เอาไปใช้เป็นเพราะก่อนมันเป็นเองมันคิดไปเองเนี่เราแยกออกเราใช้เป็นใช้ความรู้ล้วนไปในทางที่มันถูกใช้ไปคิดในเรื่องที่เป็นทิ้งที่ดีเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะการแยกรูปออกจากนามก็ได้ก็ดีการแยกนามออกจากรูปได้ก็ดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิพอนำไปคิดในทางที่ถูก เอาเป็นสมมสักปะคิดในทางที่ถูกคือรู้ว่าตัวคิดมันออกเกิดมาจากอะไรอ๋อเกิดมาจากตัวอยากนะตัวคิดนี่มันเกิดมาจากตัวอยากถ้าไม่อยากมันไม่คิดตัวอยากเกิดจากอะไรตัวอยากก็เกิดจากสัญชาตญาณอยากกินอาหารอยากหนีภัยอยากหาที่อยู่อาศัยอยากมีเพื่อนไม่อยากมีคู่เป็นเป็นความอยาก ความอยากตัวนก็เริ่มต้่มมาจากสัญจญิยาณพอมาในแง่ของปัญญายานเราก็ต้องแยกความอยากออกจากความรู้ทีเนี้ยถ้าหากว่าความรู้และวมีความอยากอยู่มันจะออกมาเป็นความคิดในฝ่ายอวิชชาแต่ความรู้นั้นประกอบด้วยความไม่อยากคิดได้การคิดด้วยความไม่อยากเร้ว่เนคขมาสังกปะคือคิดออกจากความอยากสมมติว่าเราอยากอาหารเงี้ยถ้าหากว่าเรา ไม่มียานปัญญาเราก็จะเห็นแยกไม่ออกระหว่างความอยากกับความหิวนะถ้าความอยากของร่างกายเราเรียกว่าหิวแต่ความอยากของจิตใจเรียกว่าตัณหานมันก็เริ่มมีชื่อขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นความอยากกับความหิวต่างกันอย่างไรพระความหิวเกิดขึ้นเราจัดการมาได้ก็โดยการไปหาอะไรมาใส่ท้องให้มันหายหิวพอหายหิวแล้วแต่ความอยากมันยังไม่หายอ่ะ มันอยากจะกินดีๆคนนี้กินน้ำยังไม่พอ่าอยากกินข้าวกินข้าวยังไม่พอก็อยากกินกับกินกับยังไม่พอก็อยากกินกับที่ดีแ่ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความหิวแค่บำบัดมันก็สิ้นสุดดังนั้นความรู้ที่จะเข้าไปแก้แยกระหว่างความหิวความอยากจึงใช้ความรู้ระดับวิปาาัสนาญาณคือไปตามดูอาการของความคิดว่ามันจะเอียงไปทางไหนเอียงไปทางอยากอ่า <spe ytt as> เขาพยายามที่จะเอาตัวอยากนั้นออกระดับเอาความอยากนี่นออกเขาเรียกเนคขมาสังกปรคิดในการออกจากความอยากอันนี้เขาเรียกคิดในทางที่ถูกเพราะเฉพาะความคิดจะเป็นตัวสัญชิติยาหรือตัวทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่นะคิดในทางที่ถูกคิดออกจากความอยากนี่คิดในทางที่ถูกนะแล้วก็คิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง <spe ech> ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดอย่างนี้เขาเรียกคิดในทางที่ถูกนะ ไม่ว่าความคิดเป็นของผิดหมดไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันความอยากวิ่งจากวิ่งหนีวิ่งไปตามความอยากวิ่งไปตามความอยากแล้วก็สร้างความคิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามความคิดอันนั้นการที่เราวิ่งตามความคิดเพราะด้วยอำนาจของความอยากนี้นั่นเขาก็เรียกกับเป็นตัวความคิดผิด เป็นอวิชาเป็นมิจฉาสังกปะถ้าเราแยกความคิดที่ถูกที่ผิดออกจากกันไม่ได้ก็เป็นมิจฉาสังกปะแต่ความแยกความคิดที่ถูกที่ผิดออกกันคือแยกระหว่างความอยากและความหิวจากกันได้ก็จะเกิดและความหิวใน อ, อยากมีบ้านอยากที่อยู่เนี่ยก็เราก็อยากจะได้เยอะๆได้บ้านดีๆ ได้บ้านสวยๆแล้วก็จะอยากความหิวทางการที่อยู่อาศัยความหิวทางด้านความปลอดภัยเราก็อยากจะได้ที่ปลอดภัยจากความอันตรายทั้งหลายทั้งปวงความหิวอยากจะได้เพื่อนเป็นความหิวในกามก็อยากจะได้เพื่อนมาอยู่ร่วมด้วยความหิวทั้งนี้ออกมาเป็นสรรชาตยานแต่พอเรามีความรู้สึกที่ถูกต้องเราก็เอาความอยากออก จากใจของเราโดยการมารู้จักความอยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงความอยากให้เป็นตัวความอยากในทางที่ดีความอยากจะให้ตนเองปลอดภัยจากความอยากความหิวก็โดยการบำบัดทางกายโดยการบำบัดเสียโดยการทางใจคือไม่คิดไปตามความอยากเพราะว่าบาบัดทางกายแล้วจิตของเราก็หมดหน้าที่ที่จะไปอยากละเพราะจิตมันไม่มี ตัวตนที่จะต้องไปเอาอะไรมาใส่ตัวของมันแต่ต้องการความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นความอยากทางนามธรรมก็จะต้องบำบัดด้วยนามธรรมก็คือบำบัดด้วยความรู้บำบัดความอยากทางจิตที่เกิดจากความไม่รู้ําบัดด้วยความรู้เราก็สร้างความรู้ขึ้นมาความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเมื่อใดความรู้ด้วยตัวชัดเจนความคิดก็ไม่มีความอยากก็ไม่เกิด จิตใจก็หายอยากการที่เราแยกความอยากการที่เราแยกออกความอยากออกจากความคิดได้เนี่ยแยกวิชาออกจากอวิชาได้ตรงนี้จากปรมาลารยเป็นการเกิดขึ้นและการดับไปของความอยากการเกิดขึ้นของความไม่อยากการดับไปของความไม่อยากาเห็นเห็นอันนี้เาเรียกเห็นการเกิดดับ ะเห็นการเกิดดับของความอยากความไม่อยากเห็นความอยากความไม่อยากมันปรากฏด้ความคิดความไม่คิดความคิดถูกคิดผิดเนี่ยก็เลยเริ่มแยกเห็นอาการเริ่มแยกความคิดแยกความอยากออกจากใจได้จิตก็จะเริ่มนิ่งอพอเห็นอาการเห่านี้ก็ไม่มีความอยากมาปั่นปนจิตไม่มีความคิดมาปั่นปลจิตความคิดบางครั้งแยกความคิดที่ดีออกจากความ ความรู้ตัวเฉยๆได้อีกนี่เนเพราะความคิดที่ดีเองก็ยังเป็นอาสวาะความคิดที่ไม่ดีก็เป็นกิเลสขั้งหยาบความคิดที่ดีก็ยังเป็นกิเลสขั้นละเอียดอยู่ก็แยกความคิดที่ดีออกไปอีกแล้วก็ใช้ความคิดที่ดีเท่าที่จำเป็นการรู้จักใช้ความคิดที่ดีอุสแลจิตเท่าที่จำเป็นมันก็กลายเป็นตัวตัวยาน ล้วนเรียกว่าวิปัสนาญาณและวิปัสนาญาณเห็นโทษแม้ทั้งความคิดดีก็พาไปเกิดในทางดียังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ความคิดที่ไม่ดีก็พาไปเกิดในทางไม่ดีก็ยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ความคิดทั้งดีไม่ดีก็ยังทําให้เราเวียนว่ายแต่เกิดแต่เวียนไม่ได้เกิดเป็นความคิดดีๆไปเกิดเทวดาอินพรหมความคิดเมวดีไปเกิดเปรตอสุรกายเดรัจฉานสันนิชก็แยกแยกความคิด ดีไม่ดีออกตัวแรกแยกความคิดไม่ดีออกจากความคิดไม่ดีแยกอวิชชาจากวิชชาทีนี้วิชาก็ต้องดูอีกอแยกจิตที่วิชาที่ทําให้เกิดความคิดที่ดีก็แยกออกมาอีกให้เหลือแต่ตัวรู้สึกู้ล้วน อ, อันนี้ก็เรียกว่าตัววิปัสสนาญาณเป็นผู้รู้อย่างเดียว ความคิดมาก็ดูความคิดดีมาก็ดูความคิดไม่ดีมาก็ดูความคิดถูกมาก็ดูความคิดผิดมาก็ดูก็เลือกใช้เฉพาะที่จําเป็นอ้การรู้จักเลือกใช้นี่เองก็เลือกเกิดตัวการรู้อีกสามอย่างขึ้นมาเรื่องรู้วัตถุปรัมาสอาการตามหลักของพระเทียนรู้วัตถุก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจกักรวาลนี้เป็นวัตถุทั้งหมดแล้วก็ รูปที่เข้าไปเกิดในใจเรียกว่านามรูปเช่นความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยก็เป็นวัตถุหรือวัตถุอารมณ์ก็เป็นวัตถุเหมือนกันวัตถุทั้งหลายนี่เรียกว่าสมมติแยกออกเป็นสามหมวดทีนี้วัตถุแล้วความรู้ทั้งที่ความรู้ที่เป็นญาณปัญญายาและความรู้เป็นวิปัสาานาญาเนี่ยก็เป็นปรมัตุวัตถุปรมัตุและ การที่กายยังมีความรู้สึกตัวอยู่การที่จิตก็ยังรู้ได้อยู่ลักษณะการรู้ของจิตลักษณะการรู้ของกายที่รับรู้ได้ทำงานได้อยู่ปกติเรียกว่าอาการก็ย่อความรู้ทั้งหมดจักรวาลลงสามอย่างคือวัตถุปรมาตา์อาการสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรูปตั้งแต่รูปในใจจนไปถึงรูปยาพิสุดในจักรวาล น, นี้เป็นรูปทั้งหมดเป็นวัตถุทั้งหมดนะเป็นวัตถุ ปรมัดคือตัวรู้ที่สามารถแยกแยะอะไรออกมาชัดเจนอันไหนเป็นวิชาไหนเป็นวิชาไหนเป็นญาณอันไหนเป็นสัญชตาตญาณไห น, น, นเป็นความคิดไหนเป็นความไม่คิดตัวที่สามารถเข้าไปแยกงี้ได้เรียกว่าตัวปรมามัตดคือตัวปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญาแล้วสามารถที่ทํางานร่วมกันได้ทั้งกายทั้งใจคือตัวอาการทํางานตามหลักอาการของกายของรูปนี่ก็ทํางานตามหลักเป็นอาการของใจลักษณ์ไป จิตนี้ก็ทํางานตามหลักของใจสิขาไปไม่ปนกันกายก็ทํางานเรื่องของกายไปจิตก็ทํางานเรื่องของจิตไปแต่อยู่ร่วมกันเหมือนเราอาศัยรถอาศัาายบ้านบ้านก็คือบ้านรถก็คือรถไม่ใช่เราแต่เราใช้รถใช้บ้านให้เป็นประโยชน์ได้วัตถุทั้งหมดก็เหมือนบ้านปรมัตทั้งหมดก็เหมือนตัวเราการใช้ในทางที่ถูกเอื้อต่อ ก, กันก็เป็นอาการชะให้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็เป็นเพียงอาการ อาการทางกายต้องบริหารใตรักให้เป็นอาการทางจิตต้องบริหารตรสีขาให้เป็นลักษณะนี้ก็เป็นปรมัตารย์มารู้ปรมัตาร์ก็จะรู้คลุมกันไ่หมดนี่ในหลักสูตรหลวงพ่อเทียนก็จบแค่นี้ใช้เป็นก็ไม่ทุกหมดทุกก็คือรู้ตั้งแต่รูปนามรู้จักรูปนามไปแล้วก็มาศึกษาเรื่องนามรูปศึกษาเรื่องนามรูปแล้วก็มาแยกนามรูปแยกรูปนามออกได้เป็นรู้สมมติ แยกนามรูปออกได้แล้วก็เป็นปรมัตああเห็นปรมัตแยกกร่มนามปรมัตแล้วก็เห็นการเกิดดับทางกายทางเวทนาทางจิตและทางอารมณ์เห็นการเกิดดับแล้วก็เห็นวัตถุปรมัตอาการพอเห็นวัตถุปรมัตอาการเราก็รู้จักใช้กาย tai, ใช้ใจไม่มีทุกข์แล้วทีเนี้ยใช้จิตไม่มีทุกข์เพราะอำนาจของเตยศกขาใช้กายไม่มีทุกข์เพราะบริหารตจลักเป็น มันจะไปทำงานมันก็ทำงานของมันแต่เราบริหารมันเป็นการบริหารทั้งกายทั้งใจเป็นก็เรารู้ไตรสิขานี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้หมดหมูเราว่าจิตของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็รู้แล้วทีนี้อยู่ในระดับรูปนามหรือในระดับนามรูปหรือในระดับสมมุติหรือระดับประมัติระดับการเกิดดับหรือในระดับของอาสวะทั้งสาม กำจัดอาสะวะได้ไม่ได้ถ้ากําจัดอาสะวะได้มันก็รู้จักหลักทั้งสาประการคือวัตถุปรมานอาการอาสะวะสามือกามาสะวะภวาสะวะอวิชาสะวะเอาออกได้ทั้งหมดความปัญหาของกายปัญหาของใจเรียกว่าอาสะวะปัญหาขั้นละเอียดที่สุดโดยอาศัยตรัสิขาเข้าไปแก้ศีและสิขาไปแก้กามาสะวะจิตตสิขาไปแก้ภวาสะวะ แล้วก็ปัญญาสิกขาก็ไปแก่อวิชชาสวะมันก็แก้กันไปแก้กันมาอยู่นี้เดี๋ยวคุั้งว่าแก้โดยสิ้นเชิงก็ลยหมดอาสวะหมดอาสวะก็หมดความทุกข์ที่จะไปนำให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนี่หน้าที่ของเรามีอยู่แค่นี้นั่นแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ไม่ยากแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เรามา ปฏิบัติที่นี่ทําให้เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในขั้นตอนไหนของของความรู้ที่เราปฏิบัติในขั้นรูปนามในขั้นนามรูปในขั้นสมมุติในขั้นปรม า, รราทั้งสามคือวัตถุปรมาติอาการเราก็ลําดับตัวเองพอแต่ละขั้นนั้นเวลามันผ่านมันจะทําให้จิตของเราเปลี่ยนแปลง รู้จักรูปนามจิตของเราเขาเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมแสดงว่ายังไม่รู้มีแต่ down, มีแต่ศึกษามีแต่จำเรียกว่ารู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งรู้จริงถ้ารู้แจ้งรู้จริงต้องเปลี่ยนได้คนที่เคยโลภต้องเ ป, มามาเปลปี่ยนมาเป็นไม่โลภคนที่เคยโกรธก็เป็นเป็นไม่โกรธคนที่เคยหลงก็เปลี่ยนมาเป็นไม่หลงต้องเปลี่ยนได้ นะถ้ารู้แล้วยังโลภยังเห็นแก่ตัวยังโลภมากยังอยากมากอะไรอย่างนี้ <c oughs> เก็เรื่อว่ารู้เฉยๆแต่ยังไม่เห็นมันเลยแก้ไขอะไรไม่ได้นะอันนั้นขอให้เราได้ศึกษาตัวเองให้ชัดเจนลําดับอยู่อย่างนี้อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ลําดับแบบญาณแบบหลวงพ่เทียนมาก็สมควรกับเวลาลำดับตัอไปนี้พระสงฆ์จะทําสังฆกรรมร่วมกับที่ปฏิโมก